ปาาัพพันธ์ทอยิมญาณุปารดาณัันธทอยเมวุจันติภิกขเวสกิเตนะุปปาณคันธาดุคฮายดังวุจันติภิกขเวดุขังอริยสัจจังุก่อนสุดธทั้งหลายโดยย่ออุปภาทานขันห้าเป็นทุกอย่างนี้คือ อุปาทานขันคือรูปอุปาทานาขันคือเวทนาอุปาทานาขันคือสัญญาอุปาทานาขันคือสังขารอุปาทานาขันคือวิญญาณดูก่อนพิสูจทั้งหลายโดยย่อเหล่านี้ที่กล่าวว่าอุปาทานาขันทั้ง5เป็นทุกข์ดูก่อนพิสูุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าอริยสัจคือทุกข์ ุปาทานอุปาทานอุปาทา น, <c oughs> าานขันธ์ขันธ์ทั้งห้ามันทุกเพราะอะไรขันธ์ทั้งห้าทุกเพราะอุปาทานคือยึดเอาตัณหาพายึด <c oughs> ยึดแบบโดยธรรมชาติเพราะมันเลยเราไม่รู้จักเราไม่ทนมันยึด เราดูแต่มันรักมันสงวนมันถนอมรูปรูปกายเนี่ยมันรักมันสงวนมันอ้อยอิงมันติดมันติดตาติดหูติดจิตจิตใจมันหลงมันเคลิ้มอะไรพวกมันนี่มันยึดรูปอุปาทานตันหามันพายึดเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแต่ของเก่าๆมันก็พาดึงของเก่าๆอยู่นี่แหละ ยึดของเก่าๆอยูน่นี่สวยเหลือเกินงามเหลือเกินสวยเหลือเกินงามเหลือเกินยึดมันพายึดอยู่นั่นน่ะตัณหามันพายึด <c oughs> เราดูอํานาจของมันที่มันมาบทบางสติปัญญ า, าของเราแป๊บเดียวมันพายึดเลยเคลื่ <c oughs> ไปกับมันเฉยเลยลองเราลองหันมาพิจรารณาสังเกตสังกากําหนด จ, ดจุดจอดดูส่องดูให้มันชัดๆดูด ที่ตันหามันพายึดมันพายึดเพราะอะไรเพราะตาเราเห็นมันตาเราเห็นเห็นกายนี่แหละตานามันเห็นกายหูก็ได้ยินกายสัมผัสที่กายดูริดเดดของมันดูริดเดดของการเห็นยินดีพอใจไม่ยินดีไม่พอใจตรงนี้ดำอีกแล้ว ตอนนี้เป็นจุดดังๆอีกแล้วทุกอีกแล้วเนี่ยมันไม่พอใจตรงนี้ขาวพองตรงนี้ช้าเลือดช้ำน้องอีกแล้วดัง ๆ, ๆอีกแล้วเหยียวย่อนอีกแล้วหลวงพะพามาันดูมันไม่พอใจมันไม่ชอบใจความทุกข์ครอบง ม, มันต้องการให้เป็นอย่างใจของมัน ตรงไหนสวยยังไงมันก็อยากสวยอยู่อย่างนั้นตรงไหนงามยังไงมันก็อยากให้งามอยู่อย่างนั้นตัณหามันอยากอยากให้เป็นไปตามใจของมันอยากให้เป็นไปตามความหวังของมันทีนี้เรามาดูความเกี่ยวพันระหว่างความอยากกับกายที่มันเป็นมันเป็นคนละเรื่องกันไปเลยกายมันเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันมันอ้วนผีเพราะเราบํารุงบำรเรือมัน มันขาวผ่องเพราะเราใส่อาหารดีๆเข้าไปใส่อาหารที่บำรุงผิวเข้าไปทํำให้มอนผิวมันขาวมันแต่งมันตึงมันอะไรขึ้ น, นมามันมันเป็นเรื่องของร่างกายใจอยากเฉยๆมันเปลี่ยนไหมร่างกายเปลี่ยนไหมร่างกายไม่เปลี่ยนเพราะใจเป็นความนึกเป็นความคิด ใจมีอำนาจบังคับให้ร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนโดยอิเดียบ ท, ทั้งสี่กินดื่มทำพูดคิดนั่งคิดใจบังคับให้ได้แค่นี้เองแต่บังคับให้ร่างกายเป็นไปนตามความคิดเห็นของใจบังคับไม่ได้บังคับได้โดยอ้อมเช่นอยากต้องการให้อ้วน สายอาหารที่ดีๆเข้าไปนี่บังคับได้โดยอ้อมต้องการให้ขาวผ่องยาอะไรที่กินไปแล้วบำรุงผิวขาวมันผ่องมันตึงบังคับได้โดยอ้อมอืบังคับได้โดยอ้ อ, อม ค, ออคือบังคับได้โดยตรงไม่ได้บังคับโดยอ้อมบังคับแล้วก็ต้องใส่เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งไปให้กับกายเช่น อ, อย่างยาเนี่ยร้างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบังคับในทางอ้อม คือใส่หยบใส่ยาเข้าไปร่างกายต้องแก่ต้องคร่าคร้าบังคับในทางอ้อมใส่อาหารดี่ดีเข้าไปใส่ยาดีๆเข้าไปแต่การบังคับบัญชาลักษณะอย่างนี้แค่เพียงชะลอเท่านั้นเองชะลอยังไงมันก็ต้องแก่แน่ๆเจ็บอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องเจ็บแน่ๆ แต่มันชะลอให้เบาให้บางให้อะไรไปทั้งนั้นเองเพราะเหตุปัจจัยที่แท้มันอยู่ที่กายเองใจเป็นเหตุปัจจัยส่วนไกลเป็นปัจจัยเหตุปัจจัยส่วนดังเดิมเกิดขึ้นจากใจมายึดกายนี่คือเหตุปัจจัยของมันเพราะเพราะเพราะตัวมันมันหลงเองมันโง่เอง ตัวมันหลงเองใจน่ะตัวมันน่ะตัวมันหลงเองมันโง่เองมันโง่งงคือ ม, มันมองไม่เห็นข้อเท็จจริงว่ากายคืออะไรเป็นอะไรมีทุกข์มีสุขมีคุณมีโทษอย่างไรไม่เห็นใจไม่เห็นกิเลสไม่ให้มองด้วยใจไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้มองแต่ว่าลองเคลิ้มติด กายดีก็ติดกายไม่ดีก็ติดติดทั้งดีทั้งไม่ดีไม่ดีติดยังไงไม่ดีก็ติดไม่ชอบใจเนี่ยทุกข์เข้ามาแล้วฮหไม่ดีไม่สวยไม่ไม่ขาไม่พองไม่เต็มไม่เต่งไม่ตึงเจ็บป่วยอดอแอดแอเนี่ยทุกข์เข้ามาอีกว่าแต่อะไรไม่ถูกใจทุกต้องการให้เป็นไปตามใจหวังไม่เป็นไปตามนั้นก็ทุกข์ มันเป็นมาแล้วมันเป็นรูปอื่นประจักไอ้สิ่งที่ใจมันชอบกบระทุ้งนี่ตัณหามันพาให้เราอยากอยากไม่เป็นไปตามหลักธรรมชาติของกายวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปฏิบัตินั้นท่านสอนให้เราดูให้เห็นของจริงว่ากายมีภาวะมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของส่วนกาย เป็นอย่างอาหารเป็นเรองของกายมันเป็นเรื่องของดินของน้ําของลมของไฟพอปรุงแต่งสําเร็จรูปออกมาแล้วเป็นไปนตามหลักของดินของน้ําของลมของไฟมันเป็นธาตุดิบใส่เข้าไปให้กายมันบดให้มันย่อยเพราะร่างกายมันเป็นมันเป็นโรงงานโรงหนึ่งใส่เข้าไปใส่น้ําเข้าไปมันก็บดมันก็ย่อย ย, อย่ยอยย่อยจาก ช่องหนึ่งมันก็ไปออกอีกช่องหนึ่งจากสภาพหนึ่งมันก็ไปออกอีกเป็นอีกสภาพหนึ่งข้าปลาอาหารอาระไรอร่อยใส่เข้าไปมันเข้าช่องหนึ่งมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปออกอีกช่องหนึ่งกลายเป็นอีกสภาพหนึ่งนี่คือคือภาวะของกายนี่ความเป็นไปของกายมีกําลังวังชามีอ้วนมีผอมมีพี มีเก็บไข้ใดป่วยเป็นโรคนันเป็นโรคนี้เป็นอะไรต่ออะไรสรรพัดเหตุปัจจัยที่เราพอจะมองเห็นใกล้ๆก็คืออาหารนี่เองข้าวปลาอาหารผักทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นธาตุดินแฝงเข้าไปกับอาหารเป็นธาตุดินแฝงเข้าไปกับอาหาร ความเป็นไปของกายมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหล่านี้คำว่าเหตุปัจจัยก็คือเครื่องปรุงเครื่องประกอบเหตุปัจจัยก็คือกองสังขารแต่ละกองแต่ละกองแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องประกอบเมื่อเหตุที่ใจมันมีความอยากมันก็เลยยึดยึดกายดีมันก็ยึดกายไม่ดีมันก็ยึดกายงามมันก็ยึดกายไม่งามมันก็ยึด กายงามก็ยึดต้องการให้อยู่อย่างนั้นกายไม่เป็นไปนตามที่เรายึดทุกกายไม่งามก็ยึดยึดว่ามันไม่งามมันไม่ถูกใจก็ทุกยินดีกับกายก็ทุกยินร้ายกับกายก็ทุกหากมันยึดโดยอัตโนมัติยึดโดยภาวะของมันดูยังไงไม่ให้มันทุกดูยังไงไม่ให้มันยึดดูให้เห็นสักจะว่าเห็น ภาวะของกายมียังไงเป็นไงก็สักแต่ว่ารู้ตามกิริยาอาการอย่างนั้นกายสัมผัสเนี่ยร้อนสัมผัสรอรู้ว่าร้อ น, อ น, อนสัมผัสหนาวเยน็นรู้ว่าเย็นสัมผัสแข็งก็รู้ว่าแข็งสัมผัสอ่อนก็รู้ว่าอ่อนสัมผัสเค็มเนี่ยคันคันเนี่ยก็รู้ว่ามันเค็มเค็มคันคันสัมผัสยังไง ร, รู้อย่างนั้นคําว่ารู้ต้องมีสติทันต้องมีปัญญาทันสติปัญญาเราสร้างเรา สติปัญญามีเครื่องประกอบพร้อมมาแล้ว <S <S เราต้องฝึกเอาเราต้องสร้างเอาเราต้องทำเอาอันนี้เป็นเครื่องมือท่านไม่ให้เราหลบท่านไม่ให้เราหลีกท่านไม่ให้เราหนีท่านไม่ให้เรามีความปรารถนาะที่จะไล่สิ่งเหล่านี้ตะเพิดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากกายท่านให้เราดูให้เห็น จ, กจักรวากายเจ็บใครได้ป่วยให้เห็นสักรว่าลเจ็บใครได้ป่วย กายสัมผัสสัมผัสลมสัมผัสแดดสัมผัสร้อนสัมผัสเย็นเนี้ยสัมผัสหยาบสัมผัสละเอียดสัมผัสแข็งสัมผัสกระดางสัมผัสนิ่มนวลสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ท่านให้เรารู้เท่าคำว่ารู้เท่าหมายความว่าต้องมีสติมีสัมผัจัญญารู้ทันมันรู้ทันในขณะที่มันเปลียน่ะถ้าเรารู้ไม่ทันน่ะติดแล้ว ติดราสัมผัสแล้วคําว่าติดหมายความว่าสัมผัสดีก็ติดสัมผัสไม่ดีก <m uch> ็ต <vet> <preferences> ิดเนี่ยสัมผัสดีก็ติดสัมผัสไม่ดีก็ติดคือถ้าหากมันไม่สักแต่ว่าเห็นไม่สักไม่สักแต่ว่าสัมผัสแล้วเนี่ยเอียงซ้ำก็ติดเอียงควาำก็ติดต้องอยู่กลางกลางอยู่กลางกลางก็คือสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสเนี่ยทาได้ไหมเราทําได้ พยายามตั้งสติตั้งสมาธิตั้งปัญญากหมดเจดจอ่อบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นการสร้างสติสร้างสัมปชัญญะสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาให้สติให้ปัญญาของเราเปรียบเส ม, มือนเครื่องส่องสว่างเข้าไปดูตรงนั้นให้มันชัดเจนสัจตวเห็นสักจตวสัมผัสนี่เราพูดถึงกายนะกายสักจตวสัมผัส สัมผัสลมสัตวะสัมผัสสัมผัสเสื้อ네ผ้าสัตวะสัมผัสสัมผัสอวัยวะกับอวัยวะสัแต่ว่าสัมผัสแต่ถ้าสติไม่ดีสัมผัสฉันยัไม่ดีไม่ทันมันถ้ารู้ทันและจะรู้เท ouais ่ารู้เท่าที่มันเป็นรู้เท่าที่มันมีที่จะเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็คือรู้ไม่เท่า รู้ไม่เท่าก็คือรู้ไม่ทันรู้เท่าที่มันเป็นมันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้มันจักจะว่าเวทนาเกิดขึ้นทั้งนั้นเองเวทนาเกิดขึ้นแต่เราไม่ยึดตัณหามันครอบงําจิตของเราไม่ได้ว่าให้เรายึดสุขเวทนาให้เรายึดทุกขเวทนาในเมื่อเราไม่ยึดตัณหามันครอบงําจิตของเราไม่ได้ เมื่อตันหาครอบงำจิตไม่ได้อุปาทานมันก็เกิดไม่ได้อุปาทานที่มันคอยยืดยึดเราพยายามขยับมาดูตรงนี้และดูของจริงในใจของเราเราจะรู้จะเราจะรู้ว่าภาวะตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่ออุปาทานเกิดขึ้นไม่ได้พบที่เราที่จะไปอุบัตตามที่เราชอบใจมันก็ไม่มีไม่มีพบไม่มีผู้ที่จะไปอุบัตในพบไม่มีอุปาทานนักไม่มีพบ อันนี้ตามหลักปฏิจจสมุปบาทนะเป็นหลักที่อ้างอิงอาศัยแก่การรักกันเกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยลําดับนี่คือปาฐานการพิสรูปก็เช่นเดียวกันเวทนาก็เช่นเดียวกันสัญญาก็เช่นเดียวกันเรามาทําความรู้จักสัญญาทีสัญญาคือตัวหมายตัวรู้ก่อที่จิตนั่นแหละเกิดจากจิตนั่นแหละ เวทนาเวทนาเราพอจะรู้ได้ง่ายเพราะว่าเรามีสุขเวทนาเรามีทุกขเวทนาเรามีชอบใจไม่ชอบใจอันนี้เป็นเรื่องของเวทนาแต่เราจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่มันมันจะทั่วถึงกันไปหมดจอเข้าไปตรงนั้นดูเข้าไปตรงนั้นเลยถ้าเราไม่ดูไปที่อาการที่เกิดขึ้นจริงเป็นจริงที่มีอยู่ในจิตของเราในขณะที่กําลังทํางานอยู่ดูไม่เห็นดูไม่ออกดูไม่ทัน ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราดูไปตรงนั้นเข้าใจรู้เรื่อง <c oughs> นี่เราพูดถึงว่าขันมันยึดโดยธรรมชาติของมันขันมันยึดโดยธรรมชาติของมันยินดียินร้ายเกิดขึ้นเพราะเราไม่ทัน ถ้าเราทำยินดีไม่เกิดถ้าเราทำยินร้ายไม่เกิดที่เรียกว่าสักตะว่าสักตะว่าเห็นสักตะว่าสัมผัสสักตะว่าจิตไปกระทบไม่ยินดีไม่ยินร้ายอุปาทานไม่เกิดเวทนาก็สักตะว่าเวทนาพัทสะก็สักตะว่าผัสธะเวทนาก็สักตะว่าเวทนา ที่เกิดขึ้นหามันเกิดขึ้นชึบเดียวเท่านั้นทั่วถึงกันหมดมันไม่ต้องไล่เป็นหลายเป็นล่าล่อแล้วล่อชึบเดียวมันถึงกันหมดอืมถ้าเราไม่รู้เท่าทันนก็ยึดยินดีก็ยึดยินร้ายก็ยึดสัมผัสดีก็ยึดสัมผัสร้ายก็ยึดขึ้นชื่อว่ยึดแล้วเป็นเหตุใ้เกิดทุกข์เพราะยึดนั่นคือปาฏิหาน อุปาทานขาคารทั้งห้าสรุปรวมความทุกข์สรุปรวมมาที่อุปาทานอันารทั้งห้าคือยึดถือขันารทั้งห้าเป็นทุกข์ทำยังไงเราจะมียึดเรามาชักมาล้างมาซักมาฟอกเรามาสิาศึกษาเรามาฝึกมาฝึกวิชาการตรง น, นี้มาฝึกสติมาฝึกสมาธันยั่มาฝึก วิทยาอุตสาหะกำลังจดจ่อให้รู้ให้เท่าทันเท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นเพื่อให้รู้ให้เท่าให้ทันถ้าไม่เท่าก็คือไม่ทันถ้ารู้ไม่ทันก็คือรู้ไม่เท่าคำว่าเท่าเหมือนมันหมายความว่าเราทําใจของเราให้ใหญ่เท่ากับเท่าที่มันเป็นที่อย่างมันเจ็บก็ทําใจของเราให้เท่าที่มันเจ็บนั่นแหละมันเจ็บมันปวดมันสบายกับทําใจให้รู้เท่าเท่าที่มันสบาย เข้าไปรู้กิริยาอาการนั้นๆเอาจิตของเราเข้าไปรู้นึบเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยเท่าที่มันเปลี่ยนมันคือว่ามันมันแบกมันคานกันเอาไว้มันจะเอียงซ้ายมันก็ไม่เอียงมันจะเอียงขวามันก็ไม่เอียงมันก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้นมันแบกอยู่อย่างนั้นรู้เท่าเพราะอะไรเพราะใจเรามันทันถ้าไม่ทันจะไม่เท่า ถ้าไม่เท่าจะไม่ทันอะไรทันสติทันปัญญาทันสัมปชัญญะทันสติปัญญาสติสัมปชัญญะปัญญาพระสักฟอกตัวนี้ขัดเกลาอยู่ตัวนี้ทําเป็นอาจินทําเป็นประจําปัญญานก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นจะเริ่มเข้าใจเพอขึ้นจะเริ่มเห็นชัดขึ้นจะเริ่มเห็นชัดขึ้น จนเกิดจนเกิดความรู้ความเห็นที่เรียกว่าญาณทัศนะเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดญาณทัศนะเป็นรูปก็าตามเป็นเวทนาก็ตามเป็นสัญญาสัญญาก็คือกิริยาการของใจเวทนาความยินดีความยินร้ายก็เป็นอาการของใจสัญญาก็เป็นอาการของใจสัญญาคือการจําได้ความหมายรู้ ตัวนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ละเอียดมากถ้าเราสติสรรมจัญญาสมาธิเราไม่ละเอียดพอตามมันไม่ทันดูมันไม่ออกตามมันไม่ทันดูมันไม่ออกสัญญาตัวนี้ลักษณะอย่างนึงก็คือมันจําได้ลักษณะอีกอย่หนึ่งก็คือมันหมายรู้คําว่าหมายรู้ ค, คือคิดเอาปรุงเอาคาดเอาเดาเอาที่เขาเรียกว่าหมายรู้ มันคิดยังไงมันหมายยังไงมันก็ยึดอย่างนั้นคิดยังไงหมายยังไงมันก็ยึดอย่างนั้นเราลองหลับตาแล้วเราก็เพ่งดูรูปจากรูปนิ่งๆนั่นแหละมันกลายเป็นรูปเป็นขึ้นมาแล้วโดดโลดเต้นมีบทบาททําอย่างนู้นทําอย่างนี้มันวาดไปตามอโนภาพเขาหมันนี่คือตัวสัญญาแต่ตัวนี้ถ้าหากเราทําจนชั้นชนานมีสติมีปัญญามีอะไรรู้เท่าทันตัวนี้แหละเป็นเหตุให้เกิด ปัญญาตัวสัญญาตัวนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเรามาคาดเรามาหมายเรามาเดาเนื่องจากว่าเราไม่เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกเราจะต้องมาใช้สัญญานั่นแหละเริ่มคาดเริ่มเดาเริ่มหมายโอมันอนิจจังอย่างนี้โอมันทุกขังอย่างนี้โอมันไม่ใช่ตัวตนตัวตนอย่างนี้กำหนดพิจารณาอย่างนี้พิจารณากำหนดพิจารณาอย่างนี้ใช้สัญญาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่จิต ปัญญาเกิดได้เกิดที่จิตสัญญาเกิดได้เกิดที่จิตเราทํางาน <hike> เราก็ทํางานที่จิต <Ug> ว <ly> ิทยะอุตสาหะขันติความอดความทนเกิดที่จิตความพยายามเกิดที่จิตสัญญาสังขารในขณะที่เราทําก็คือเราใช้สังขารปรุงความนึกความคิดของจิตนะปัญญาสัญญาก็เป็นก่อสังขารปัญญาก็เป็นก่อสังขาร สมาธิคือกาะสังขารเข้าไปรวมกันเข้ากองสังขารทั้งหลายทั้งปวงเข้าไปรวมกันเข้าเพราะสิ่งเนี้มันเกิดเกิดที่จิตจิตคิดเรื่องดีก็เป็นปุลเป็น ป, ปุญญาพิสังขารอันนี้หมายถึงสังขารของจิตจิตคิดเรื่องไม่ดีเป็นอปุญญาพ่สังขารแม้แต่จิตไม่นึกไม่คิดจิตอยู่ในองชาท่านก็เรียกว่าสังขารสังขารของจิตอนเนมชาพิสังขาร ความสงบนิ่งของสังขารฉันอยากเข้าอารมณ์ฌานเข้าสู่อารมณ์ฌานนี่คือกองสังขารนี่หมายถึงสังขารจิตนะมันมีะระดับมันปรุงมันแต่งข้ามันมันยักย้ายมันผันแปรข้มันวิญญาณสังขารก็คือกิริยาการของจิตวิญญาณก็คือกิริยาการของจิตความรู้แจ้งระหว่างอายตนะภายใ น, นภายนอกกระทบกันปับ๊บเชนจากตากระทบรูป เกิดจากขุ่วิญญาณแล้วก็ไล่ออกไปโสตวิญญาณขานะวิญญาณชิวามิยานกายะวิญญาณมโนวิญญา ณ, าญญาณอันนี้เวลาเราพิจารณาเราก็ย้อนมาดูข้างในของเราลับตาย้อนเข้ามาดูที่จิตของเราลับตาดูลับก า, าดูความสัมพันสัมพันธ์มาที่จิตของเราที่กายของเราเราจะเห็นววิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิด วิญญาณวิญญาณวิญญาณพัทสะเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเปัจจัยเกิดวิญญาณตัวนี้ผัทสะกแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาอันนี้ตาตาเห็นรปูปครั๊บเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนา ดียึดเข้ามาเป็นสุขเวทนาไม่ดีผลักออกไปเป็นทุกขเวทนาแต่ถ really? ้าเห็นมีปสติป right? ัญญารู้เท่าทันเห็นสักจะวเห็นเวทนาจักตะ่าเวทนาสัญญาสักจว่าเวทนาสัญญาสักจว่าสัญญาสังขารสักจว่าสังขารวิญญาสัจจะว่าวิญญาณ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาการเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เครื่องประกอบระหว่างรูปธรรมกับ น, นามธรรมานามธรรมก็คือใจของเรามอยู่ในกายของเรานี่กายมันมีกายเป็นถ้ำเป็นครูหาทีนี้ผู้รู้อันนี้มันออกมาข้างนอกมันออกมาได้ในลักษณะยางไงมันก็ออกมาทางตาเห็นตัวมันออกไหมเวลามันออกมาทางตาเห็นตัวมันออกไหมตาเข้าไปรับรู้ตา ไปสัมผัสกับรูปเป็นเป็นเป็นเครื่องประกอบของมันหูก็ไปสัมผัสเสียงมันประกอบมาสำหรับได้ยินเสียงจมูกสำหรับสัมผัสกลิ่นมันเป็นเครื่องประกอบของมันมันทําหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละอย่างลิ้นสัมผัสรสรับรสมันเป็นเครื่องประกอบของมัน มันทำหน้าที่คนละอย่างอย่างกายสําหรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกายส่วนนี้หมายถึงกายยประสาทนะไม่ได้หมายถึงกายทั้งดุนแท้ที่จริงก็กายทั้งดุนนั่นแหละเพราะประสาทตามผิวผิวกายมันมีอยู่ทั่วสรงร่างกายของเราหมายถึงการไปสัมผัสประสาทกายส่วนนั้นเที่ยวว่ากายกายยประสาทกายยประสาทสัมผัสกาย ใจสัมผัสธรรมอารมณ์อารมณ์ที่นึกคิดภายในใจเขาเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์อารมณ์นึกคิดภายในใจอันนี้เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่เราตะล่มพิจารณาย้อนมาตอนนี้พิจารณาย้อนกลับไปพิจารณาย้อนก่อนมามันเป็นการพิจารณารู ป, ปธรรมของเราพิจารณานามธรรมของเรามีอยู่แค่นี้พิจารณาอยู่แค่นี้แหละอย่าไปจับอะไรอย่างอื่นมากมายจับตัวใจตัวเดียวเน่ะ มันจะมีกิริยาอย่างไงก็ตามแล้วแล้วแต่เราจะตามดูจะตามดูกิริยาอย่างไรก็ชัดจะตามดูกิริยาอย่างไรก็ชัดถ้าจิตของเราอยู่มีสติดีมีสัมปัสฉัญญานดีเราก็จะเริ่มรู้จะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยถ้าสติเราทันมันจะไม่ยึดด้วยเหตุที่เรายึดกายยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณความทุกข์ทั้งหลายมารวมยอดอยู่ที่อันนี้ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสาวพยาตแบบที่เราสวดเราไล่ไปเมื่อกี้อันนั้นเป็นปลายแถวของมันนะมันหลุดจากนี้ไปมันถึงจะไปเป็นสิ่งเหล่านั้นเป็นภพเป็นชาติอืโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสาวายาตจนกว่ามันจะโผล่เกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยโศกโศกโศกกับความทุกข์ที่ใจมันทุกขระทมตรมตรอมใจทุก อไม่ทุกผิดหวังอทุกสลดทุกสังเพศทุกคิดถึงทุกอาลัยทุกห่วงใยทุกสรพัทุกเจ็บทุกปวดทุกป่วยทุกไข้ทุกเหี่ยวแห้งระทมตรมในหัวใจมันเหมือนมันเหี่ยวมันแห้งมันเชฉาทุกมันเชฉาในหัวใจนั่นแหะความทุกข์แต่มันผ่านมาจากการยึดการถือเท่านั้น ถ้าเราสงบระงับดับได้ที่นั่นเละมันจะไม่มาถึงนี้มันมีสติปัญญาไปกันไว้ซะก่อนคลื่นมันมากระทบมันมากระทบถึงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กลายเป็นกลายเป็นว่ามันหยุดแค่นั้นชะลอแค่นั้นชะงักแค่นั้นมีอุบายวิธีพิจารณาเพื่อระงับดับความทุกข์ ความทุกข์จากการที่เรายึด ม, มั่นถือมั่นด้วยอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าแท้ที่จริงเราพิจารณาเราพิจารณาศึกษาเพื่อให้รู้เท่าทันแล้วเราก็ปรงเราก็ปล่อยศึกษาให้รู้เท่าทันแล้วเราก็ปรงเราก็ป ล, ล, ปล่อยเราศึกษาพิจารณาศึกษาเพื่อจะละเพื่อจะวางเพื่อจะทิ้งไม่ใช่เพื่อจะเอาแต่ก็เอาประโยชน์จากการที่เราพิจารณามันแหละประโยชน์เอาประโยชน์จากการพิจารณา แตไม่ใช่พิจารณาไม่ใช่พิจารณาเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พิจารณาเพื่อเอาขันทั้งห้าพิจารณาเพื่อละขันทั้งห้าปล่อยขันทั้งห้าวางขันทั้งห้าไปทําลายมันก็ไม่ได้ต้องดูให้รู้ให้เห็นมีปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่ารู้ทันหาปัญญามันปล่อยข้อมันเองรู้เท่ารู้ทันหาปัญญามันปล่อยข้อมันเอง แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่ทันมันก็ขมวดมันก็มัดไม่รู้ทุกกิริยาทุกอาการมันยึดทุกกิริยาทุกอาการหากยึดโดยหลักธรรมชาติของมันมีพอต่อสู้ยื้อแย่งกันกับผู้ตั้งใจ mm hmm. ปฏิบัติเท่านั้นเองสำหรับผู้ mm hmm. ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเป็นของมันตลอดระยะตลอดเวลามันยึดตลอดยินใจมก็ยึยดเสียใจก็ยึดยึดหมดยินดีมัก็ยึดยินร้ายมันก็ยึยดย เราในแค่ยินดีกับยินร้ายเราก็แทบจะไม่รู้จักอ่ะยินดีเนี่ยรู้รู้ไหมเราทันมันไหมยินร้ายเนี่ยรู้ไห ม, ไหมทันมันไหมมันละเอียดนะอยู่ในใจของเราท่านจึงให้ให้มองมาตงไหนย้อนมาข้างไหนพิจารณามาที่ตรงไหนนี่เราพูดถึงสาเหตุที่เกิดทุกข์สาเหตุดับทุกข์ระงับดับทุกข์วิธีการต่อสู้มันอยู่ตรงนี้เองเอาอะไรมาต่อสู้เอาสติเอาปัญญา เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากตั้งใจผ่อน้ายใจสงบสงบอยู่กับอารมณ์นึ่เดียวไม่ไม่คิดว่าวุ่นคุณหมอไปกับเรื่องสารพัดที่จะดึงจิตของเราไปใช้ยึดดึงไปเท่าไหร่ไปคิดไปคิดจนหมกมุ่นจนทุกข์เยิ้มกลับมาไปคิดถึงเรื่องเหล่านั้นคิดคิดไปคิดมาทุกข์เยิ้มกลับมาคิดเรื่องเหล่านี้คิดไปให้มาทุกข์เยิ้มกลับมา เขามทุกเยิอมกลับมาเนี่ยคิดดีดีใจก็ทุกเยิ้มกลับมาคิดไม่ดีทุกใจทุกเยิ้มกลับมาไม่ได้รู้เท่ามันถ้ารู้เท่ามันถ้ารู้ทันมันมันจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นสัพทว่าเห็นคือหลักการทํางานของระบบธรรมชาติเหล่านี้มันขาดมันสิ้นสุดลงมันหากเริ่มสิ้นสุดลงอย่างนี้แหละนี่พอเราทําไปจนชำนิชนานาญไปมันถึงจะสิ้นสุดถึงระยะยาว สิ้นสุดถึงขั้นที่ว่าไม่กำเริบมันก็นสามารถระงับดับได้นี่คือกระแสธรรมทั้งหมด อ, รรมอันนี้คือกระแสธรรมถ้าจะว่าอนิจจังก็ใช่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเราจะว่าทุกขังก็ใช่ ม, ไมิไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมถ้าจัว่าอ น, นิจจังเปลี่ยนไปก็ใช่ถ้าจะว่าอัตตาเป็นเรื่องของตัณหาถ้าจะว่าอนัตตาก็ใช่ เพราะมันบังคับมั น, มนบัญชาไม่ได้จริงๆแปลว่าอนัตตาอนัตตาอนตาแปลว่าตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตนถ้าตนต้องยึดได้ต้องบังคับได้ด้วยเหตุที่ไม่ใช่ตนจึงยึดไม่ได้บังคับไม่ได้พุทธเจ้าท่านปล่อยโลกหมดปล่อยทั้งหมดไม่มีอะไรตกเข้างอยู่ในพระทัยของพระองค์เข้าถึงประมังสุขังเข้าถึงประมังสุขังนะ วันนี้เอาแค่นี้ออแหละ